ก็ความในอัตคตคุตการนิกายอิติวุตการนะครับปุตตสูตรสูตรนี้เป็นหัวข้อบรรยายเรื่องไตสรณคมนะครับของผมปีที่แล้วโน้นในข้อ252นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหรันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย บทสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะครับโลกนะโลกสามประเภทเอางี้ละสามจำพวกเป็นฉนยคืออติชาตบุตรอนุชาตบุตรและก็อวชาตบุตรนะครับดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อติชาตบุตรเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุ่ศีลมีธรรมะอัลลาโมกคือ ผ, ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับไม่มีสารณะคมไม่ถึงสารณะคมแล้วก็ไม่มีศีลห้านะครับส่วนบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้น เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนที่สุ่ทั้งหลายอาติชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหลนะครับคือบุตรที่ดีเกินพ่อเกินแม่นะครับคาว่าดีเกินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบคาไทยที่กล่าวพูดเปรียบเปย แต่หมายถึงดีด้วยคุณธรรมนะครับพ่อแม่นี้เป็นคนไม่มีสรระคมอะไรเลยเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยนะครับศีลห้าศีลอะไรก็ผิดหมดนะครับเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าลูกเนี่ยดีลูกเป็นคนที่มีสรระคมนะครับมีศีลรักษาศีลห้าได้อย่างบริบูรณ์นะครับลูกชนิดนี้เรียกว่าอติชาตบุตรเป็นลูกที่ยิ่งนะครับกว่าพ่อแม่นะครับ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 ส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการผู้เทศคือการดื่มน้าเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอนุชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นคนที่เกิดตามพ่อแม่นะครับประพฤติตามพ่อแม่หมดเลย พ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมลูกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมตามไปด้วยดูการพิสูุทั้งหลายก็อวชาตบุตรเป็นอย่างไรดูการพิสูุนทั้งหลายมารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมผู้เทศการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงาม ส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะอัลลามกดูความพิสูจทั้งหลายอาวชาตบุตรเป็นอย่างนี้แลดูความพิสูจทั้งหลายบุตรสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าพ่อแม่ก็เลวลูกก็เลวครับ จะถือว่เป็นไม่เข้าหลักการอันนี้นะครับอันนี้ก็พวกเลวหมดเลยก็ไม่ต้องพูดนะครัไม่ไม่เชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรหรอกครับคือตามพ่อตามแม่พ่อยังไงก็ลูกก็ยังงั้นอันนี้เอาแบบพ่อแม่ที่ดีนะครับเอาพ่อแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างนะครับคืออย่างน้อยที่สุดก็เอาฝ่ายดีเอาไว้นะครับเลวไปหมดเลยก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักอย่างนะครับพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอติชาตบุตร และอนุชาตบุตรไม่ปรารถนาอาวชาตบุตรซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูลนะครับคือบัณฑิตเนี่ยนะเขาต้องการลูกสองประเภทคือต้องการลูกที่ถึงไตรสรณะคมมีศีลมีกัลยาณธรรมพอพูดถึงอย่างนี้เนี่ยนะครับนึกถึงผู้การเลยผู้การเขาก็ปรารถนาอยากให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับเจริญรอยตามนะเจริญรอยตามคือหมายความว่า มั่นคงในสาสนาแล้วก็ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะนะบางทีเรายัางคาดหวังไปถึงล้านอีกไมา่าดูกันฮะบัณฑิต ท, ทั้งหลายเขาก็ปรารถนากันอย่างนี้แหละครับส่วนบุตรเหล่าใดาเป็นอุบาสกบุตรเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นบุตรในโลกนะลูกแท้ๆก็คือลูกที่เป็นอุบาสกคือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยนั่นเองบุตรเหล่านั้นมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีล ผู้อบอ้อมอารีรู้ความประสงค์ปราศจากความตรนีย่อมรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลายเปรียบเหมือนพระจันทร์พนแล้วจากเมฆฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ข้อความในปุตตสูตรนะครับอักคำว่าบุตรนะครับบุตรนั้นหมายถึงลู ก, ลกที่เกิดจากอกหรือว่าเกิดจากตนหรือแม้ลูกบุญธรรมก็ชื่อว่าบุตรนะครับคือว่าลูกของตัวแท้ๆหรือลูกที่เอามาเลี้ยงก็ชื่อว่าบุตรทั้งนั้นนะครับ บทว่าสันโตนี่แปลว่ามีอยู่บทว่าสังวิชมานาโลกสมิงความว่าหาได้ในโลกนี้ชื่อว่าสันโตเพราะว่ามีอยู่เชื่อว่าวิชมานาเพราะปรากฏแล้วนะบทว่าอติชาโตความว่าเกิดมาเนื้อมารดาบิดาด้วยคุณของตนอธิบายว่ามีคุณสูงกว่ามารดาบิดาเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมมากกว่าพ่อกับแม่นะครับ บทว่าอนุชาโตวความว่าเกิดมาเป็นผู้ทัดเทียมแก่มารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณเสมอด้วยมารดาบิดาเหล่านั้นนะครับมีคุณธรรมเท่ากันเลยนะเพราะแม่มีคุณธรรมอย่างไรลูกก็มีคุณธรรมแบบนั้นบทว่าอวชาโตเกิดมาไม่เท่ามารดาบิดาด้วยคุณทั้งหลายอธิบายว่ามีคุณธรรมต่ากว่ามารดาบิดาเหล่านั้นนะครับ อติชาโตก็มีคุณมากกว่าพ่อแม่อนุชาโตก็มีคุณเท่ากับพ่อแม่อวะชาโตก็เลวกว่าพ่อแม่นักนะครับก็บุตรผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์เอาแล้วว่าเป็นผู้ยิ่งกว่ามารดาปิดาเสมอด้วยมารดาบิดาและต่ำกว่ามารดาปิดาเพื่อจะทรงแสดงจำแนกคุณธรรมเหล่านั้น จึงทรงตั้งเป็นกฐเทตุกรรมยตาปุจฉาคือประสงค์เพื่อจะตอบเองว่ากระทันจะาพิกเวปุตโตอติชาโตโหติดูความพิสูจน์ทางลายก็อติชาตบุตรเป็นฉนัยดังนี้นะครับแล้วก็ทรงปรารภนิเทศโดยในเมียที่ว่าอิท่าพิกเวปุตตสนะครับถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องเครื่องเทียบนะครับว่าเออนี่นะดีกว่าพ่อแม่นี้เท่ากับพ่อแม่นี้ต่ำกว่าพ่อแม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องเทียบครับนะ เอาสารณคมและศีนนั่นแหละมาเป็นเครื่องเทียบวินิจัยในบทเมียที่ว่าณพุทธทังสรารนังคตานั้นนะครับก็คือกล่าวถึงเรื่องของไตรสารณคมดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าผู้มีคุณงามความดีเกินหมูสัตว์ที่คนทั้งหลายรู้จักกันทั่วและว่าพุทธโธ เพราะหมายเอาพระขันธสันดานที่ทรงอบรมแล้วนะครับความเป็นพระพุทธเจ้านี่นะครับหมายถึงขันธ์นะครับขันธ์คือนามขันธ์ทั้งหลายนะครับและรูปประขันธ์ที่มีนามขันธ์เหล่านั้นเป็นสมุทฐานที่ทรงอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีด้วยการบรรลุวิโมกอันยอดเยี่ยมนะครับคือบรรลุพระนิพพานนะครับมีพระญานในธรรมะทั้งมวลที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิต หรือการบรรลุสัจจยานมีสัพพัญยุตยานเป็นประฐานนะครับตามความเข้าใจของผมน่าจะบอกว่ า, ามีสัพพัญยุตยานด้วยการบรรลุอริยสัจนี่เป็นเหตุใกล้ใช่ไหมครับ น, นี่เป็นความเข้าใจนะถ้าถ้าเราเรียงโดยอัฏฐะ น, นะครับคือหมายคำ ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับที่เรียกว่าพุทโธเนี่ยนะหมายคำ ว, ว่าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีมาใช่ไหมครับพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็ พระองค์ก็อ บ, บรมขันธสันดานอ บ, บรมแล้วก็บรรลุอริยสัจสี่พอแทงตลอดอริยสัจ4ี่ก็เป็นเหตุใกล้ให้ได้สัพพัญญุตยา น, นะครับเขาแปลว่าไงเลยเาแปลว่าหรือการบรรลุสัจญาณมีพระสัพพัญญุตยานเป็นประทัดฐานนะครับนะแต่ตามความเข้าใจของผมหมายความว่าบรรลุสัจญาณก่อนนะครับ ซึ่งเป็นปทัฐฐานคือเป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญยุตยานหมายคําว่าบรรลุอริยสัจก่อนนะครับจึงได้สัพพัญยุตยานไม่ทราบบาลีเป็นยังไงครับสัพพัญยุตัญานปทัฐฐานังวาส จ, จาภิสัมโธทิงอุปาทายะครับอ๋อก็ที่เขาแปลก็ก็ถูกแต่ที่อาจา ร, รย์แปลแบบนั้นมันมันก็ถูกคร ถ, ถ้าลักษณะการแปลคงคงจะเอาอัฐาว่านะครับ ครับผมอาถรรพ์ไม่ทราบครับเพราะว่าอาริยศาสตร์นั้นถ้าเทียบตามยานนะถ้าเทียบตามลำดับของการบรรลุแล้วนะครับต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ก่อนนะครับพอบรรลุแทงตลอดอริยศาสตรได้อรหั ต, ตผลแล้วสัพพัญญุตญาณจึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอารหัตมรรคนี้เป็นประ ฐ, ฐานแห่งสัพพัญญุตญาณ น, น, นะทีนี้อรหัตมรรคนั้นก็คือการแทงตลอดอริยศาสตร์นะครับ ทีนี้พอพระองค์บรรลุสัพพัญญุตญาณอย่างนี้แล้วก็ได้อนาวรณายานนะครับคือพยานที่ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรขัดขวางเลยนะสัพพัญญุตญาณ น, นี่เป็นญาณที่รู้สรรพสิ่งอนาวรณายานก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ที่เรียกว่าพุโทโธนั้นนะครับหมายถึงหมายถึงผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้นะครับจึงเรียกว่าพุโทโธสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพพัญยูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญยูในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ชำนาญในพระธรรมทั้งหลายจึงทรงพระนามว่าพุทโธนะครับ นะทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เขาเรียกว่าขยายโดยอัฏฐะนะครับโดยเนื้อความนะครับก็ทํามองรวมๆแล้วก็มองไปที่พระองค์นั้นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทําด้วยพระองค์เองนะครับด้วยยานะทั้งหลายแล้วก็หลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะครับคือตรัสรู้อริยสัจว์ก็มีสัพพัญญุตยานพอมีพระสัพพัญญุตยานก็เป็นผู้ชํานาญในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับ สา ม, มารถที่จะเอาพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมาตระกาศเพื่อจะทรงคร้ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าโดยพยัญชนะอะไรพุทธะโดยพยัญชนะเพึงทราบความตามในเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีความรู้มีความตื่นแล้วโดยปราศจากความหลับคือกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะ นะครับคือมีความรู้คำมารู้ก็คือรู้อริยสัจนั่นเองนะครับตื่นแล้วก็ตื่นจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ไม่มีความหลับคือกิเลสนะครับแล้วก็ไม่มีกิเลสเท่านั้นอย่างเดียวก็หาไม่ได้แม้แต่วาสนาก็ไม่มีนะครับความเคยชินความทางกายที่ไม่ดีความเคยชินทางวาจาที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ละได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านผู้เบิกบานโดยความเป็นผู้เบิกบานด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า พุทธะนะครับนะหมายคือว่าปราโมท ด, ด้วยปัญญาใช่ไหมครับบันเทิงด้วยปัญญาอย่างนั้นเลยผ่องใสด้วยปัญญานะอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้อ่างนั้นหรือว่าผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะก็ได้นะครับเพราะความที่ท่านตรัสรู้อริยสัจแล้วก็ตรัสรู้แบบสิ้นเชิงด้วยนะครับผู้ให้ผู้อื่นรู้ผู้ยังหมู่สัตว์ให้รู้ตามเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพุทธะนะครับ หมายคถางว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุอริยศาสตร์ตามด้วยนะครับในชั้นต้นตรัสรู้อริยศาสตร์ด้วยพระองค์เองก่อนหลังจากนั้นก็ยังเอาความรู้ในเรื่องอริยศาสตร์นั้นมาเปิดเผยประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามสมจริงดังที่ท่านคือพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวัพุโทโธเพราะอาธิว่าตรัสรู้สัจจ์ทั้งหลายนะครับ รู้อริยสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับทรงพรนามว่าพุโทโธเพราะอัตถาว่าทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นนะครับที่เอปลุกมันนะเพราะฉะนั้นของเราเวลานึกถึงพุโทโธก็เออพระ อ, องค์เนี่ยมาปลุกเราด้วยนะพุโทโธเมื่อไหร่ก็เออพระ อ, องค์มาปลุกเราลนะเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดแบบนี้ก็ได้นะครับคือที่ยิงเนี่ยคุณโดยคุณธรรมของพระ อ, องค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ปลุกหมูสัตว์ใช่ไหมครับเราดูที่ว่าจะถูกปลุกหรือเปล่านะครับ ที่ก็ถูกปลุกแต่ไม่ตื่นนั้งทรงพระนามว่าพุทโธเพราะทรงรู้ธรรมะทั้งปวงนะครับคือไม่มีธรรมะใดที่พระองค์ไม่ทรงรู้เลยนะครับคือสัพพัญยูะนะถามว่าสัพพัญยูรู้อะไรรู้สังขารทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็บรรัญญัติทั้งหมดสังฆตาธรรมอสังฆตะธรรมทั้งหมดนะครับรู้สัพรพสิ่งเลยแหละ ทรงภนาว่าพุทโธเพราะทรงเห็นธรรมะทั้งปวงนะครับไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับทรงภนาว่าพุทโธเพราะทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะครับธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะครับมากมายนะครับทำหนึ่งทำสองทำสามเป็นต้นนะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยพระองค์รู้ยิ่งหมดทรงภนาว่าพุทโธเพราะทรงเบิกบานแล้วนะครับเบิกบานเพราะว่าไม่ถูกความหลับคือกิเลสครอบงำทรงภนาว่าพุทโธ เพราะมีธรรมะกล่าวคือความสิ้นอาสะวะนะครับสิ้นอาสะวะสิ้นกิเลสทั้งหมดเลยนะการมาสะวะที่ถาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะก็ไม่มีแล้วในพระองค์นะครับทรงพระนามว่าพุทโธเพราะมีธรรมะกล่าวคือไม่มีอุปกิเลสเลยนะครับไม่มีความเศร้าหมองใดๆในจิตแม้แต่อย่างเดียวเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสีหน้าเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคก็ไม่เศร้าหมองนะครับพระองค์ก็มีความยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ทรงพะนามว่าพุทโธเพราะอัฏฐาว่าปราศจากราคะโดยส่วนเดียวนะครับไม่มีโลภะเป็นเหตุให้เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นอะไรเลยสักอย่า ง, งาทรงพะนามว่าพุทโธเพราะอัฏฐาว่าปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าไม่มีหงุดหงิดนะครับถึงใครจะนั่งดา่าพระองค์ขนาดไหนพระองค์ก็ยังมีจิตใจที่แช่มชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่หมดหงุดหงิดสักอย่างนะไม่มีโทสะ สองพนาว่าผู้โธพระอัฏฐาว่าปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีอะไรลุ่มหลงเลยนะครับไม่ลุ่มหลงในอารมณสักอารมณ์เดียวเลยนะครับเนี่ยนะถ้าจำนวนของบางแห่งก็บอกว่าพระเถระบางรูปกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะครับชิงชังหรือกโกรธในอารมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงอ่ะนะโดยทั่วๆไปคนทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนั้นกัน แต่พระตถ า, าคตอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีราคาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งราคาไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่ลุ่มหลงในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเพราะฉะนั้นราคาโทสะโมหะพระองค์กําจัดไปโดยส่วนเดียวไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าอุปนิสัยให้กิเลสเหล่านั้นเกิดเนี่ยได้ถูกตัดแล้วด้วยอริยมรรคทั้งหลาย ทรงพนามว่าพุโทโธเพราะอัฏถาว่าไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวนะครับกิเลสเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่ที่เว้นโลภะโทสามโมหะเพราะว่าโลภะโทสามโมหะได้กล่าวแล้วทรงพนาว่าพุโทโธเพราะอัฏฐาว่าทรงถึงแล้วซึ่งเอกายนามคนะครับหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะทรง พ, พระน า, าว่าพุทโธเพราะอัฏถาว่าทรงเป็นผู้เดียวตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐนะครับ ที่พระองค์รู้ทรงบรรลุเนี่ยบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับบรรลุแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับไม่มีใครไปบอกไม่มีใครเป็นเพื่อนอะไรเลยนะครับตรัสรู้ผู้เดียวจริงๆทรงพรนามว่าพุทโธเพราะทรงกำจัดความไม่รู้นะครับอวิชชาความไม่รู้เป็นทั้งหมดเนี่ยพระองค์กำจัดหมดแล้วเพราะทรงได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้แล้วนะครับและทรงพระนามว่าพุทโธนี้ พระมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอม า, าศญาติสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดามิได้ตั้งชื่ออันนี้ให้นะครับมิได้ทำให้มิได้ตั้งให้โดยที่แท้แล้วพระนามนี้เป็นวิโมกขันติกานามนะครับเป็นพระนามที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งการหลุดพ้นนะชื่อนี้ได้เพราะตรัสรู้ได้เพราะหลุดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระนามว่าผโธนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติ คือบัญญัติที่ทําให้แจ้งพร้อมด้วยการบรรลุพระสัพพัญญุตยา น, นะขวงไม้โพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วนะครับคือเมื่อบรรลุเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดถึงความเป็นพระสัพพัญญูแล้วจึงได้พระนามว่าพุทโธนะคะอันนี้ก็กล่าวถึงคุณธรรมของพระผู้มีพระภาคนะครับโดยส่วนหนึ่งโดยศับว่าพุทธะนะครับแล้วโดยเอาสัพพัญญูมาขยาย เอาการละกิเลสเป็นต้นมาอธิบายนะครับว่าพระองค์นี้ละ ก, กิเลสอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นในยะอื่นก็เอามหากรุณาที่คุณเป็นต้นมาอธิบายด้วยนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่บอกว่าปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นเนี่ยนะครับปลุกหมูสัตว์ให้ตื่นนั่นก็เน้นถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์แต่ว่าพุโทโธตามศัพท์ตามพยัญชนะตรงนี้เน้นอธิบาย พระบริสุทธิ์ที่คุณซะส่วนใหญ่นะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาที่คุณนะครับเนี่ยนะอธิบายคำว่าพุท ธ, ธะเน้นอธิบายอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าพักวารถ้าต่อด้วยพักวานี่นะครับจะเห็นพระมหากรุณาที่คุณในเป็นส่วนมากนะครับเช่นจำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเป็นต้นเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสารทั้งหลายนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเอาว่าพุทโธสับเดียวมานะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปริสธรรมสารติสัทถาเทวนุตสานางพุทโธพระวาตินะครับบททั้งหลายเหล่านั้นก็เอามาแล้วนะครับเพราะว่านี้ก็หยิบเอาเฉพาะคําว่าพุทโธมาอย่างเดียวที่กล่าวว่าพุทธังสรนังฆาชามินี่นะครับแต่บอกว่าอารหันตังสรนังฆาชามิสัมมาสัมพุทธังสรนังฆาชามินะครับอะไรเนอีก วิชาจารณะสัมปันนางสารนางข้าฉามินะครับสุขโตสารนางข้าามิอะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบพิสดารไปเลยนะเอาทุกบททุกบททุกบทเลยนะ น, นี้เจริญแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอารหังเนี่ยมีความหมายยังไงข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพาตอารหัง น, นั้นแหละเป็นสารณะเนะนี่ยนะก็เจริญไปนะครับระลึกถึงก่อนว่าอารหังนี่มีใจความหมายเสร็จแล้วข้าพเจ้าขอเอาพาตอรหัง น, นั้นแหละ เป็นสารณะนึกว่าเออสัมมาสามัมพุโทโธเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างเราก็มาเรียบเรียงโดยหัวข้อที่เราได้ศึกษา ม, มาก็บอกเออเอาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแหละเป็นสารณะนะครับวิชาจารณะสัมปนนันโนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะวิชาและจารณะที่มีในพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างก็ร ะ, ะลึกตามไปแล้วเออเอาพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมเหล่านั้นแหละเป็นสารณะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบพิสดาร น, นะครับแต่ถ้าเอาย่อหน่อยก็พุทธังสารนังขะชามินี่แหละครับ ผมเคยได้ยินบทสวดอาจารย์นั่นพาสวนนะยาวชีวั ง, งนะพูดทางสรารนังกชชามิเออก็ไปรอเดินฮะจนตราบเท่าตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเอาตลอดชีวิตเลยน ะ, ะครับคือผู้ที่จะถึงไตรสารนาคมเนี่ยนะครับต้องมัน ตามระลึกนึกถึงคุณหรือว่าศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจให้ละเอียดให้เพียงพอเฉพาะข้อความตรงนี้นะครับเอาเฉพาะบทว่าพุทโธมาเอาเฉพาะคําว่าพุทโธมาใช่เฉยเพราะจะขยายตามลําดับบทนะครับในคัมภี์นี้ท่านจะขยายตามลําดับบทที่เรียกว่าพุทธังสระนงังคตาเนี่ยนะรหรือพุทธังสระนงังคาฉามิเนี่ยที่จริงแล้วไม่ต้องว่าพุทธังศัพท์เดียวก็ได้นะครับ อรหันตังสารนังค่าฉามิก็ได้นะครับสัมมาสัมพุทธังสารนังค่าฉามิก็ได้นะครับโบราณนะเขามีบทสวดแบบนี้นะครับสังเกตได้จากยอดกันพระไตรปิดกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีบทเหล่านี้นะถ้าถ้าหากว่าคนที่แปลได้นะครับเอาข้อความเหล่านั้นแล้วมาเพ่งให้ดีๆนี่นะครับมีอัฏถมีรายละเอียดที่ควรแกการพิจารณาเยอะนะครับ เป็นสัมม า, ส, าม A, สัมพุทธังสารนังค่าฉามินะครับวิชาจารณะสัมปันนังสารนังค่าฉามิสุขตังไดไหมสุขตังสารนังค่าฉามิได้ไหมตามหลักวยากรณ์นะครับสุขตังสาราาานรั ง, ง, าางค่าฉามินะครับวิชาจารณะสัมปันนังสารนังค่าฉามินะครับสุขโตหรือว่าสุขตังไดไหมสุขตังสารนังค่าฉามินะครับสาถาเทวมนุษสารนังสารนังค่าฉามินี่ก็ได้นะครับแล้วก็ ไล่ไปทุกๆบททั้งเก้าบทหรือว่าจะเอาบทอื่นอีกก็ได้นะครับบทอื่นอีกที่เป็นไวโพจน์ของคําว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าดูได้จากเรื่องการลาสิกขานะครับในปราชิกนะครับในปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับขยายถึงไวโพ์ของสัมมาสัมพุทโธหรือว่าไวโพจน์ของพระพุทธเจ้านี้ไว้หลายไหนมากนะครับใน สมันตะปาสาธิกาก็อธิบายไว้ละเอียดพอสมควรแล้วก็ในดีกาดีกาก็ยกข้อความที่เป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากอุบาลีวาทสูตรเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นทุกๆบทนะครับทุกๆบทเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ควรเอามาตามระลึกนะครับคือระลึกถึงคุณเหล่านั้นแล้วนะครับก็จะได้มองเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจน เมื่อเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราก็วายไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ดีจริงๆนะครับบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะทีนี้ขยายคำว่าพุทธเจ้าไปแล้วนะครับว่าพุทธเนี่ยนะครับว่าขอบเขตแค่ไหนแต่